จากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระเทศวิสุทธิเมธีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประธานรังสริตปากเกรด็ดนนทบุรีเรื่องทางเดินของคนดีขอเชิญท่านรับฟังได้นบัดนี้ค่ะอาญาติโยม ปตมริษัททั้งหลายวันนี้ชาไปห้านาทีเพราะว่ามีเรื่องติดพันลูกขึ้นมาไม่ได้เมื่อเช้านี้ฝนตกนึกไม่สบายใจกลัวว่าจะตกในเวลาที่แสดงปาเกถาและเวลาตักบาท ถ้าตกแล้วมันยุ่งที่สุดเลยตอนนึกในใจว่าขออย่าตกเลยตกเมื่อคืนก็พอแล้วตอนเช้าตอนอย่าตกเลยให้ไปตกเวลาอื่นต้องฟ้าคอยโปร่งขึ้นเก่มใสก็สบายใจตอนนี้สบายใจแล้วพรามีแสงแดดส่องไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องวิตกกังวล ปัดลมปิดทนีแม่ต้องวิตกกังบนให้เกิดปัญหาทางใจก็ได้พูดอะไรสู่กันฟังกันต่อไปอญาติโยมทั้งหลายคงจะได้ยินชื่อเทวดาองค์หนึ่งเราเรียกกันว่าพระอินทร์พระอินทร์นี่เป็นเทวดาชั้นใหญ่ในสองสวรรค์เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งเทวดา มีชื่อหลายชื่อเือนชื่อเท้าปันตาเพราะมีตารอบตัวเรียกว่าเท้าสหัสสนัยก็เรียกว่าตาตั้งพันตาเหมือนกันเออเรียกว่าเท้าศักกะผู้ยิ่งใหญ่ผู้กล้าหาญแต่ว่าเรียกกันทั่วทัวไปนั่นก็เรียกว่าพระอินทอินท่าแปลว่าเป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ มีนางข้าเป็นบริวารพระอินมีพรรญาทั้งสี่คนนาสุชาดาสุนันทาอะไรรวมกันเป็นสี่คนด้วยกันมีมากเพราะว่าเมื่อจัดก่อนนี้ได้ทำความดีก่อนที่จะไปเกิดเป็นพระอินนี่ได้กระทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คือเป็นคนสร้างทางนั่นเอง เป็นเป็นคนสร้างทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความลำบากในการเดินทางฉันแรกก็สร้างคนเดียวแต่ว่ามีคนเดินผ่านมาเห็นข้าวถามว่าทำอะไรนะคนคนนั่นก็ชื่อมัคมานพนายมากเรียกังว่านายมัคคานนายมัค้านพเป็นผู้ที่กำลังทำทางอยู่เมื่อเพื่อนถาม ก็บอกว่าทําทางไปสวรรค์บอกว่าทําทางไปสวรรค์เพื่อนผูงได้ยินอย่างนั้นก็ได้ว่าเออเราจะไปสวรรค์มั่งเลยแล้วก็มาช่วยกันชั้นแรกก็เพื่อเพิ่มขึ้นทีละคนทีละคนเพิ่มขึ้นเป็นสามสิบคนมาร่วมทําทางเพื่อจะไปสวรรค์ด้วยกันแล้วก็ทํากันจนสําเร็จเทียบร้อยท่านเหล่านี้ตายแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ นายมคะมานพนั่นได้เป็นหัวหน้าเพื่อนเรียกว่าเป็นพระอินทเป็นผู้ใหญ่ในชั้นเทวดาเรียกว่าเป็นเจ้าเป็นนายของพวกเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็เคารพนับถือบูชาพระอินนี่มีชีวิตเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าบ่อยๆบางทีก็ามาถามปัญหาสึ่งปรากฏอยู่ในสักการพันสูตรในที่นิกาย อยามาเทศในฟังในวันหลังเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่พระอินถามนี่เป็นปัญหาที่เหมาะแก่สังคมในยุคปัจจุบันอยู่เหมือนกันแต่ว่าในวันนี้จะพูดว่าพระอินนี่ได้ไปเกิดเป็นพระอินนี่เพราะอะไรมันอยู่ที่ข้อธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจาวันแล้วได้อานิสงส์เป็นอย่างนั้น เรามาพูดกันในแง่ธรรมะว่าพระอินนี้ได้พระพุทิตนอย่างไรพระอินพระพตทธทำถึงเจ็ประการเขาเรียกว่าสัตวัตตบทแปลว่าข้อปฏิบัติเจประการที่จะทำคนให้เป็นพระอินมีเจี7ประการด้วยกันพระพฤติสม่าเสมอไม่ได้ทำเพียงเป็นครั้งเป็นคราวแต่ได้ปฏิบัติในเรื่องนี้สม่าเสมอติดต่อกันตลอดไป การประพติธรรมนั้นเราจะต้องทำให้สม่ำเสมอไม่ใช่ทำแม่พลุบพ ล, ล, ลูอย่างนั้นมันก็ไม่ให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าเราทำติดต่อกันไปผลมันก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราทำให้เราอยู่สบายเราไม่มีภัยไม่มีเวรกับใครใครเช่นเราถือศีลเนี่ยศีลห้าเนี่ยถ้าถือให้มันเป็นประจำ ก็จะเห็นผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในศี่ห้าประการนั้นต้องทำให้สม่ำเสมอตลอดไปผลมันก็เกิดแต่ว่าบางทีผลเกิดแล้วเราก็ไม่รู้เพราะไม่นึกว่าเป็นผลที่เรากระทำนั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องเราก็รู้ว่าเป็นผลที่เรากระทำไว้ท่านจึงมีหลักการให้พิจารณาตัวเอง ตักเตือนตัวเองแล้วจะได้แก้ไขตัวเองต่อไปผลก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวผู้ปฏิบัติผู้ที่เป็นพระอินนั้นต้องปฏิบัติทำเจ็ดข้อเพราะฮั้นอยากโยมที่อยากจะเป็นพระอินก็เป็นได้เป็นโดยธ ร, รมไม่ใช่เป็นเพราะไปเกิดเป็นเทวดาในสวงสวรรค์มีนางข้าแห่ห้อมแบลล้อมเป็นบริวารมากมาย นั่นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ในทางเพศไปซะมากไปแต่ว่าเราเอาข้อปฏิบัติของบุคคลที่เป็นเช่นนั้นมาเป็นหลักปฏิบัติเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราจะเกิดประโยชน์แก่เราได้มากการปฏิบัติธรรมะของคู่ที่จะเป็นพระอินนั้นมีอะไรบ้างประการแรกเป็นผู้ที่บำรุงมารดาบิดาเลี้ยงมารดาบิดา อันนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตว่าชีวิตของคนเรานั่นเกิดมาจากพ่อแม่แต่เราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะเกิดได้อย่างไรพ่อแม่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นผู้ให้เกิดแต่เป็นผู้คุมฟักเลี้ยงรักษาให้ชีวิตเราเติบโตเจริญงอกงามแล้วให้การศึกษาวิชาการพอเป็นเครื่องมือสาหรับรมะหากินได้ ให้เงินตั้งเนื้อตั้งตัวหาคู่ครองที่สมควรให้ทำการป้องกันในทิศทั้งหลายให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาเราทุกคนที่เป็นลูกหญิงลูกชายของพ่อแม่เป็นลูกหนี้รายใหญ่ก็ว่าได้พ่อแม่เป็นเจ้าหนี้ของเราเราเป็นลูกหนี้ของท่านเราก็ต้องเลื่องหนี้ด้วยการทำการตอบแทน การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นเป็นคุณธรรมของสัตว์รุษคือคนดีพระพุทธเจ้าบอกว่าคนดีก็คือคนที่บูชาพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดดรอดจนชาติเอเชียเรานั้นได้ปฏิบัติในธรรมข้อนี้ทั่วไปตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนถึงญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่น ก็ได้รับหลักธรรมนี้ไปใช้กันทนะั่วหน้าคือเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่เมื่อแก่ชราแล้วเราต้องเลี้ยงท่านให้ได้รับความสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะเลี้ยงร่างกายและก็เลี้ยงใจของท่านการเลี้ยงร่างกายก็คือให้ท่านกินสบายนอนสบายอาบน้ำสบายที่ขับถ่ายได้รับความสะดวกสบายเครื่องนุ่งห่มก็ให้สะดวกสบาย ที่หลับที่นอนก็ให้สะดวกสบายนี่เรียกว่าเลี้ยงกายท่านอันนี้การเลี้ยงใจนั่นก็คือว่าเราไม่ประพฤติอะไรให้เป็นที่กระเทือนใจพ่อแม่เพราะพ่อแม่มีความรักลูกมากจิตใจของท่านเปราะมากอ่อนไหวง่ายเกี่ยวกับลูกถ้าลูกดีท่านก็ดีใจถ้าลูกไม่ดีท่านก็เสียใจเรียกว่าจิตใจพ่อแม่อ่อนไหวไปกับลูกมาก เหมือนกัะทงอยู่ปลายเสาลมพัดนิดหน่อยก็แขวงไปได้ถ้าฉันใดจิตใจพ่อแม่ก็แขวงไปกับเรื่องลูกอย่างนั้นเพราะนั้นลูกที่รักพ่อแม่ก็ต้องคอยอสังเกตการกระทำของตัวเองเกิดไม่ทำอะไรให้เป็นที่กระเทือนใจของพ่อแม่จะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรจะไปสู่สถานที่ใด ก็ต้องนึกก่อนว่าพ่อแม่พอใจไหมยินดีไหมในการกระทําอย่างนี้ท่านจะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจด้วยเรื่องที่เราเ อ, อทําหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นเหตุให้ท่านร้อนใจเราก็ไม่ทําถ้าเราเคารพอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องป้องกันไม่เราตกต่ําในชีวิตประจําวันทําชั่วไม่ได้ก่อนที่รักพ่อแม่เนี่ยทำชั่วไม่ได้ เพราะถ้าทำชั่วเกรงว่าจะกระทบกระเทือนใ จ, จเจ้าประคุณทั้งสองจะทำให้ท่านเดือดร้อนใจแล้วเราเขาไม่กระทำอะไรอย่างนั้นนี่มันช่วยปิดกั้นไว้แล้วปิดอบายปิดประตูแห่งความชั่วความร้ายเพราะอาศัยการที่เคารพรักบูชาคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูทางกาทางใจท่านให้ท่านมีความสุขทางด้านจิตใจ ให้รับฟังแต่ข่าวดีจากลูกตลอดเวลาถ้าลูกไปอยู่ในบ้านไกลเมืองไกลก็มีข่าวดีมาถึงพ่อแม่ไม่มีข่าวร้ายเพราะลูกไม่ได้ประพฤติชั่วประพฤติเสียหายนี่เรียวกว่าเลี้ยงน้ำใจการเลี้ยงกายนั่นก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่การเลี้ยงน้ำใจสำคัญกว่าเพราะจิตใจนี่สำคัญกว่าร่างกายถ้าจิตใจท่านกระทบกระเทือนร่างกายก็ปล่อยกระทบกระเทือนไปด้วย คนเฒ่าคนแก่ที่เป็นพ่อแม่ของเราทั้งหลายถ้าท่านกระทบกระเทือนใจอันตรายมากคืออาจจะชกไปก็ได้อาจจะสิ้นลมไปก็ได้แต่เราทำเหตุในท่านเป็นอย่างนั้นก็เป็นบาปหนักบาปหนาแก่เราผู้กระทำโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาไม่คิดไม่ตรองให้รอบคอบในการกระทำนั้นนั้นจะย่อมจะเกิดความเสียหายเพราะนั่นคนที่มีคุณธรรม เป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบนั้นต้องมีฐานอยู่ที่ว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขความสบายพ่อแม่เพียงสองคนลูกหลายคนบางทีเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงแม่ไม่ได้เลี้ยงพ่อไม่ได้แต่พ่อแม่เลี้ยงลูกได้ลูกหาคน6กคนสิบคนก็ยังเลี้ยงได้แต่พอถึงวัดลูกไม่มีใครค่อยเอาใจใส่อย่างนี้เป็นการไม่ถูกต้อง เราทุกคนที่เป็นลูกควรจะดีใจเมื่อได้มีโอกาสเลี้ยงพ่อแม่เมื่อได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บางคนบ่นว่าลูกตั้งหลายคนแต่ว่าผมคนเอง่งคนเดียวเนี่ยที่เลี้ยงคุณแม่คุณพ่ออยู่เวลานี้ก็เลยบอกว่าคุณอย่าไปคิดเสียใจหรือว่าไม่สบายใจแต่ควรคิดในเพื่อมใจว่ามีบุญที่ได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ คนอื่นสิเขาไม่มีโอกาสจะได้กระทำํำถ้าไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเราได้เลี้ยงก็ควรจะดีใจควรภูมิใจในบุญกุศลนั้นนี้การทําบุญอะไรอะไรนั่นไม่ประเสริฐเท่ากับการทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจการให้ทานที่ประเสริฐก็คือการให้แก่พ่อแม่กวนคนเราถ้าไม่ให้พ่อแม่แล้วจะให้ใครได้นิ้อสัยขี้เหนียวขี้ตืด ไม่รู้จักแบ่งให้ใครให้แม่แต่พ่อแม่แล้วจะให้แก่คนอื่นนั่นอย่าไปหวังเพราะนั่นคนที่ทำบุญกับพ่อแม่ให้เสื้อให้ป่าให้อาหารให้อยู่ให้ยาให้เงินให้ทองให้ความสบายใจแก่ท่านคอนนั่นจะทำบุญอย่างอื่นได้ทุกอย่างเพราะฝึกมาในรูปอย่างนั้นอบรมมาในรูปอย่างนั้นจิตใจมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่พ่อแม่ แล้วก็เปื่อแป่ไปถึงคนอื่นที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงหรือคนที่แม่ไม่รู้จักกันแต่รู้ความต้องการของคนเหล่านั้นว่าเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรและเราก็จัดให้เขาตามที่เราควรจะทำได้อย่างนี้มันก็เป็นความสบายใจกันทุกฝ่ายฐานที่อยู่ที่ว่าเราเลี้ยงพ่อแม่ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตหลายอย่าง แล้วคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ไม่มีใครเคยตกต่ำเคยสังเกตมาหลายคนแล้วคนใดที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่คอยเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขความสบายชีวิตไม่ตกต่ำชีวิตมีเกียรติมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีฐานะมั่นคงเพราะเขายืนอยู่บนฐานแห่งความกตัญญูกะตะเวทีท่านพุทธทาสจะจังเทศว่าเพียงแต่ ประพรุทธอยู่ในความกตัญญูกัตวะ ต, ะวตะเวทีลูกนี้ก็จะอยู่รอดเพียงแต่ประพรุติตนในความกตัญญูกะตะเวทีลูกนี้ก็จะอยู่รอดปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะเรามีความสำนึกในความกตัญญูกะตะเวทีที่เป็นเพื่อกับพ่อแม่แล้วมันก็คิดเรื่อยๆไปถึงคนอื่นกับครูบาอาจารย์กับท่านที่มีประโยชน์แก่ชีวิตของเรา แม้กระทั่งแผ่นดินแผ่นฟ้าที่เราได้เกิดมาอาศัยป่าไม้ลาห้วยอะไรต่างๆที่เราได้อาศัยคนโมราณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์เป็นบุญคุณแก่ตนทั้งนั้นเพราะงั้นเขาจึงไหว้เขาจึงไหว้สิ่งเหล่านั้นเราไปเห็นเขาไหว้คนนั้นก็ไหว้ซุ่ม 4, สีุ่่มห้าให้ฐานเดิมนั้นเขาไหว้ด้วยความสานึกในพระคุณ แต่อาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจก็ไหว้ตามตามกันมาแต่ถ้ารู้เข้าใจว่าที่เราไหว้กันเนี่ยเพราะนึกบุญคุณถึงเชณฑ์ว่าไหว้บนฟ้าก็หมายถึงว่านึกถึงบุญคุณของฟ้าที่หอบผลมาให้ก็มาเอาผลมาให้ตกลงในทุ่งในนาของเราที่บ้านที่เรือนของเราผลให้ฟ้าเราก็ขอบคุณฟ้าที่ให้ผลแก่เราขอบคุณดวงอาทิตย์ที่ทาน้ำให้กลายเป็นไอ แล้วก็ลายเป็นเมฆแล้วก็กลายเป็นฝนตกลงมาเกาไหว้ดวงอาทิตย์ไหว้ดวงจันทร์ก็เป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีไปจากการสำนึกในบุญคุณนั่นเองแม่คนที่ไหว้ป่าไหว้ต้ตนไม้ก็เพราะว่าต้นไม้มันให้ประโยชน์มันอุ่นน้ำไหว้ให้ก่อยไหลามาชาชาทำให้ห่วยหรือรวนองกลองเบึงบางมีน้าสาหรับใจทาการพอปลูก เราก็นึกบนคนของป่าเลยไปไหว้ป่าว่าอย่างนั้นเนี๋ยเขาไหว้ถูกต้องเพราะความสำเนึกแต่ถ้าไหว้ไปในเรื่องแง่อื่นมันคนเป็นอีกไปแง่หนึ่งไม่ถูกตรงตามหลักการคนโมราณก็เึงไหว้คนอินเดียที่ขึ้นปีนต้นมะพร้าวเนะอจะขึ้นก็ไหว้ต้นมะพร้าวทุกทีเวลาลงมาถึงก็ไหว้ต้นมะพร้าวทุกทีแต่เราไปเห็นก็นึกว่าแขกนี่มันมันไหว้อะไรก็มัน มันไหวเพราะว่ามะพร้าวนี่ให้น้ําหวานแล้วก็เอาไปทําเป็นน้ําตาลหรือไปทําเป็นน้ําเมาให้คนกินกันมันก็ได้สตังอะได้สตังเพราะต้นมะพร้าวมันก็ไหวต้นมะพร้าวแม้วการไหวอย่างนั้นทําให้มีสติไม่ตกต้นมะพร้าวจายก็ขึ้นไม่บุมบามขึ้นไปสํารวมจิตเสียกอนไหวเสียกอดขอโทษขอป่วยที่จะปีนต้นมะพร้าว แล้วก็ปีนขึ้นไปด้วยความระมัดระวังมันก็ไม่ตกลงมาเอวหักหลังหักถึงแก่ความตายเขาทำเขามีเหตุมีผลเหมือนกันคนโบราณสอนอะไรว่ามีเหตุผลแต่เราไม่ค่อยคิดโดยเฉพาะคนสมัยใหม่มองไปในแง่งมงายไม่ร้สาระแต่ความจริงมันมีคุณธรรมซ่อนอยู่ในการกระทํานั้นไม่ใช่ว่าไม่มีคุณธรรมไม่มีความงามความดี มีสิ่งดีงามซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นถ้าเราคิดเราก็จะมองเห็นว่าเป็นการกระทําจากน้ําใจที่มีความสํานึกในบุญคุณของสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญประการแรกคนเราจะต้องประพฤติอยู่ในธรรมขอ้อนี้คือเลี้ยงดูมารดาบิดาแต่นี่มารดาบิดาผู้ให้เกิดเราเนี่ยอาจจะตายไปเสียมาเราเป็นเด็กก็ได้แต่ว่ามีคนอื่นเอามาเลี้ยงไห้ เราเรียกว่าพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเด็กบางคนไม่เข้าใจเนึกว่าพูดบ่อยๆไม่ใช่พ่อผมไม่ใช่แม่ผมเวลามีอารมณ์ขึ้นมาบอกไม่ใช่พ่อผมไม่ใช่แม่ผมพ่ออย่าพูดมากนะผมรู้ว่าพ่อไม่ใช่พ่อผมแม่อย่ายุ่งนะผมรู้ว่าแม่ไม่ได้เกิดผมมาการพูดเช่นนั้นมันเป็นการไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องในแง่ธรรมะ ถึงแม่ว่าท่านไม่เกิดเรามาแต่ว่าท่านเลี้ยงเนี่คนเลี้ยงเนี่ยสำคัญกว่าคนเกิดเสียอีกเพราะถ้าเกิดแล้วทิ้งเนี่ยมันจะโตขึ้นได้อย่างไรจะมีชีวิตอยู่ได้ในลูกอย่างไรกว่าพ่อแม่เราไม่ใช่ท่านเกิดเฉยๆแต่ท่านเลี้ยงด้วยบุญคุณมันหนักอยู่ที่เลี้ยงนะไอ้ที่เกิดนั่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรื่องเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตนี่เป็นเรื่องสาคัญ เพราะนั้นพ่อแม่ผู้ให้เกิดให้กำเนิดแก่เรานั้นท่านไม่มีโอกาสจะเลี้ยงเราแต่เพราะท่านตายไปเสียก่อนแต่เมื่อคนใดคนหนึ่งเอาเรามาชุบมาเลี้ยงให้มีชีวิตขึ้นมาเราก็ต้องนึกว่านี่และพ่อของฉันแม่ของฉันต้องเคารพต้องเชื่อฟังเหมือนกันท่านพูดอะไรก็ต้องฟังไม่โตเถียงในเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องรับฟังด้วยดีเชื่อฟังปฏิบัติตาม เพื่อให้ท่านสบายใจเพราะผู้เลี้ยงนั้นนึกว่าเป็นลูกเหมือนกันแลว้วก็เลี้ยงมาอย่างดีแต่าหากว่าลูกไม่รู้บุญคุณในเทียใจยมากเสียใจว่าแม่กูอุตส่าห์เลี้ยงมันมามันไม่สำเนึกในบุญคุณนี่เป็นข้อที่เสียใจยมากเหลือเกินทําให้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจมีอาการเป็นทุกข์ลูกที่ทําให้ผู้ที่เลี้ยงตนมาเป็นทุกข์นั่นเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นเรื่องไม่ดีไม่งาม ยังไม่ควรจะนึกเก่นนั่นลองถามตัวเราเองว่าคุณแม่เกิดเรามาแต่ท่านตายแล้วท่านไม่ได้เลี้ยงเราถ้าไม่มีแม่คนนี้เลี้ยงเราจะอยู่ได้ไหมเราก็อยู่ไม่ได้ท่านเลี้ยงให้เราเติบโตให้การศึกษาเราเรียนให้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลี้ยงทุกอย่างเหมือนลูกไม่มีความลำเอียงแม่แต่น้อยเราก็ควรจะถือว่าเป็นเจ้าบุญนายคุณ ที่มีบุญคุณอยู่บนหัวของเราตลอดเวลาต้องเคารพต้องบูชาเช่นเดียวกันถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องถืออย่างนั้นไม่ใจนึกว่าไม่ใจผู้ให้เกิดไม่ใ่พ่อใช่แม่การนึกอย่างนั้นมันจะใจต่ำเกินไปแต่เราเนึกว่าเขาเลี้ยงเราก็เป็นแม่ของเราเขาเลี้ยงเรา ก, ก็เป็นพ่อของเราแล้วเราเคารพ บ, บูชาสักการะ ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อก็เป็นนั้นว่าประพฤติประพฤชอบใช้ได้ประการที่สองข้อที่ควรปฏิบัติตัวเคารพผู้ใหญ่ในสกุลผู้ใหญ่ในสกุลนี่เป็นเรื่องสำคัญสกุลใหญ่ใหญ่ในเมืองไทยนั่นในหลวงท่านทรงตั้งก็เรียกว่ารับเหรียญหรือเครื่องเอราชอิสราพรให้เป็นผู้นาของสกุล ในตระกูลใหญ่ๆตระกูลที่สืบเนื่องมาจากเจ้านายก็มีหัวหน้าตระกูลทังนั้นให้มีหัวหน้าหัวหน้าเป็นผู้นำในตระกูลนั้นทุกคนต้องเคารพหัวหน้าจะทามาทำการอะไรก็ต้องไปปรึกษาหารือกันถ้าหัวหน้าสั่งมาให้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเชื่อฟังผู้ที่เป็นหัวหน้าในตระกูลตระกูลใดครอบครัวใดมีหัวหน้า แล้วก็เคารพเชื่อฟังสกุลนั่นจะไม่ตกต่ำจะไม่เสียหายเพราะมีผู้เดินไปข้างหน้าใกล้าว่าผู้ถือธงเดินไปข้างหน้าแล้วคนอื่นก็เดินตามผู้นั้นเป็นการกระทำเจนนั้นเป็นการแสดงว่ามีระเบียบมีวินยัยไม่อยู่อย่างไม่มีระเบียบวินยัยประเทศชาติใดก็ตามต้องมีผู้นำในชาติในประเทศ ในวงสกุลครอบครัวก็ต้องมีผู้นำอย่าว่าแต่คนเลยแม่สัตย์เยรฉานมันก็มีผู้นำช้างมีจ่าขลุงหัวก็มีหัวหน้าควายก็มีหัวหน้านกมันก็มีหัวหน้าของมันมันจะเลือกกันอย่างไรน่นอย่าไปรู้เลยแต่ว่ามันถือว่าตัวนั้นแหละเป็นผู้นำหัวถ้าว่าตัวตัวเมียตัวหนึ่งตัวใดเป็นผู้นำถ้าตัวนั่นเดินไปไหนมันเดินตามเป็นแถว ไปเหนือไปเหนือไปใต้ไปใต้ไปตะวันตกไปทะวนออกเดินตามเป็นแถวเวลาตอนเย็นมันก็กลับบ้านไปสู่ที่พักที่เป็นคอกที่เขาทําไายก็ไปกันเป็นแถวไม่มีตัวใดแตกคอกแตกหมู่เลยเดินตามกันเป็นแถวนั่นมันเกิดระบบเพราะเขารบปวดหน้าพอเขารบัวหน้ า, า, า, นามันเกิดระบบขึ้นมาทันทีแล้วการอยู่ก็เรียบร้อยสัตว์เดรัจฉานก็มีหัวหน้า คนเราถ้าไม่มีหัวน่าจะอยู่กันอย่างไรเหมือนร่างกายนี่ไม่มีหัวนี่มันจะอยู่ได้อย่างไรหัวนี่มันสำคัญอะไรอไรมันอยู่ที่นี่นะตาก็อยู่ที่ตรงนี้หูก็อยู่จมูกปากดีๆีงามงามีประโยชน์มากมากมันอยู่ที่หัวเท่านั้นนะนะลองตัดหัวออกมันก็ไม่ได้เรื่องนะพอไม่มีหัวมันก็ตายเท่านั้นนะอันนี้คนเรานี่ก็เหมือนกันมันต้องมีหัวหน้า ในวัดหนึ่งก็ต้องมีองค์หนึ่งเป็นหัวหน้าเรียกว่าสมภารท่านเจ้าวัดเรียกตามภาษากฎหมายว่าอธิการเป็นอธิการอธิการเนี่คือเจ้าอาวาสถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลก็เพิ่มคำมาข้างหน้าว่าเจ้าอธิการเจ้าอธิการนคือเจ้าคณะตำบลแล้วก็เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคละว่ากันเจ้าคณะหนมีหัวหน้าปกครองตามลาดับชั้น พระทุกรูปต้องเชื่อฟังหัวหน้าต้องปฏิบัติตามบัวหน้าแล้วในพระทั้งหมดนี้ก็มีมหาเถระสมาคมเรียกว่าเป็นหัวหน้าชั้นใหญ่มีอำนาจออกกฎหมายคุ้มครองอะไรอะไรตา่ตางๆคล้ายกับคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติเหมือนกันอำนาจเถระสมาคมมีเป็นอำนาจกว้างฝังท่านสั่งอะไรก็ต้องทำตามต้องปฏิบัติตาม ออกเป็นกฎเป็นสังคานั้นเป็นกติกาอะไรไว้ให้พระทุกรูปประพฤติตามอันนี้ตาพระกลุ่มใดโมใดไม่ทำตามแต่ข้อออกไปไม่ขึ้นกับเทระสมาคมมันก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาถ้ากลุ่มหนึ่งทำได้กลุ่มกอทำได้กลุ่มขอทำได้กลุ่มคอกลุ่มหมอเลยแต ก, กหมดทีนี้พระในเมืองไทยต่างคนต่างอยู่ไม่มีระบบไม่มีระเบียบ แล้วจะอยู่กันได้อย่างไรมันก็เกิดความเสียหายเพราะงั้นแต่ใครทาผิดระเบียบก็ต้องแก้ไขจัดการแต่ดื้อก็ต้องถูกลงโทษกันไปตามเรื่องนี่มันเป็นเรื่องของระเบียบสิ่งทั้งหลายต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบมันก็อยู่ไม่ได้ในครอบครัวก็เหมือนกันต้องมีคนหนึ่งอุ ป, ปโลกขึ้นเป็นหัวหน้าสะกูลใหญ่ๆเขาเลือกกันเองเขาเลือกว่าเนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าคนนายุมากกว่าเพื่อน อาบุโูก็ถือว่าเป็นหัวหน้าเวลามีวันตรุษวันสงการทุกคนก็ไปกราบไปไหว้ไปรดน้ำดำหัวท่านผู้นั้นถ้ามีงานอะไรพิเศษในวงสกุลก็ต้องเชิญท่านมานั่งเป็นประธานเป็นหัวหน้าในที่ประชุมนั่นๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาถือกันไม่เฉพาะแต่เมืองไทยแม้ในต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกัน สกุลขุนนางที่สืบต่อกันโดยเป็นทายาทเขาก็มีหัวหน้ากันใครได้เป็นหัวหน้าเขาก็เคารพต่อบุคคล น, นั้นเชื่อความบุคคล น, นั้นออกกฎออกระเบียบให้ทุกคนทำตามกันได้จึงอยู่กันด้วยความสุขความสงบในสังคมคนไทยเราก็เป็นเช่นนั้นต้องถือว่าใครเป็นผู้ใหญ่ในในสกุลมีคนนึงคือคนที่อายุมากกว่าเพื่อน เป็นผู้เกิดนานเกิดก่อนมีคุณวุธมีวัยวุฒิมีอะไรเป็นหลักเราบรรทมถือผู้นั้นเ <c oughs> ชื่อความบุคคลผู้นั้นเวลามีกิจกรรมอะไรก็ต้องเชิญมานั่งเป็นประธานเช่นการแต่งงานก็ต้องเชิญท่านผู้นั้นมามีงานศพก็เชิญมาทําสร้างบ้านสร้างเรือนก็เชิญมามีเรื่องดีจะต้องปรึกษาหารือกันในเรื่องกิจกา ร, รต่างๆ ก็เชิญคนนั้นมานั่งเป็นประจานเป็นผู้ชี้ขาดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรทุกคนก็ได้กระทำตามกันอันนี้มันประโยชน์ของหัวหน้าประเทศชาติบ้านเมืองจึงต้องมีหัวหน้าคือมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขของชาติโดยเฉพาะเมืองไทยเรานั้นถือว่าองค์พระหมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติทุกคนเคารพสักการะจะดูหมิ่นถิ่นแคลนไม่ได้ เราถืออย่างนั้นแล้วก็มีรัฐบาลซึ่งทำงานตามพระหลัตามตัวบทกฎหมายอาศัยในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีู่ปดว่าในพระบรมนามาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำอย่างนั้นอย่างนี้เอาพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักเป็นเครื่องช่วยให้เกิดกาลังใจและจะทำงานกันไปตามหน้าที่บ้านเมืองก็อยู่กันสงบ ถ้าเราไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นหัวหน้าจะได้หรือไม่มีแต่เพียงประธานาธิบดีมันก็ได้แต่มันไม่ดีเพราะว่าคนในประเทศไทยเรานั้นความรู้สติปัญญามันยังไม่ถึงขนาดที่พอจะอยู่ด้วยตัวเองได้ยังต้องอาศัยบุคคลผู้นำคือต้องมีผู้นำ้าไม่มีผู้นำแล้วจะเสียหายจะเกิดปัญหา ดูแต่ประเทศข้างเคียงเราก็แล้วกันเช่นประเทศพม่านี่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองมีแต่ประธานาธิบดีอันนี้ประธานาธิบดีทําไม่ถูกต้องประชาชนไม่ชอบใจก็มีการเดินประท้วงกันตายกันไปจํานวนมากมายไม่มีใครจะพูดห้ามปรามให้หยุดได้แต่บ้านเรานั้นเมื่อมีกรณีอย่างนั้นเกิดขึ้นในหลวงท่านออกโทรทัศน์ ขอร้องวิงบอนว่าอย่าทำกันถึงขนาดนั่นเลยให้หยุดกันเถอะหันหน้ามาพูดจากันเถอะปราณีปรานอมกันดีกว่าเรื่องมันก็หยุดสงบลงไปไม่มีเรื่องอะไรเสียหายเพอาทุกคนเก่ารบพระองค์อานาสูงมันอยู่ที่ตรงนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีพระเจ้าจักรพรรดิเรียกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวของญี่ปุ่น หากกี่ล้านครอบครัวก็ตามแต่ถือว่าองค์จกักรพรรดิเป็นผู้นำของเขาก็าถือว่าพระองค์พระเจ้าจากักรพรรดิมาจากดวงอาทิตย์เนาะดวงอาทิตย์ส่องแสงลูกให้สว่างจากักรพรรดิของเขามาจากนั้นเขาเคารพนับถือบูชากันเหลือเกินแล้วก็เชิดชูบูชาต่อไปแม่ญี่ปุ่นลบแพ้สงครามจะทำสัญญาสงบสุขเขาขออย่างเดียว ขอว่าให้มีพระเจ้าจากักรพรรดิอยู่ต่อไปอย่าได้ทําลายองค์จกักรพรรดิเสียเป็นอันขาดกวายพันธมิตรซึ่งมีอเมริกันเป็นหัวหน้าก็เห็นความจําเป็นก็เลยไม่แตะต้ององค์พระเจ้าจากักรพรรดิแต่ว่าให้พระเจ้าจากักรพรรดิมาเซ็นสัญญาเวลาพระเจ้าจากักรพรรดิเสด็จจากวังไปเซ็นสัญญาชาวญี่ปุ่นตั้งหมดรู้สึกเศร้าใจมากที่สุด เขาแสดงความสำนึกขึ้นมาในใจว่าเราทำผิดกันทั้งประเทศให้พระเจ้าแผ่นดินต้องไปงอ้อชาวต่างประเทศต้องไปเซ็นสัญญาเขาเกิดความสำนึกบาปขึ้นมาเหมือนกันแล้วเขาช่วยกันกู้ชาติผู้บ้านเมืองสร้างฐานนะสร้างชาติสร้างประเทศขึ้นมาต่อไปเพราะความสำนึกอันนั้นนี่มันประโยชน์ของคนที่มีหัวหน้าเราไม่มีหัวหน้าก็ไม่ได้ ในครอบครัวเราก็มีหัวหน้าคือพ่อแม่ทุกคนต้องเคารพพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ต้องเคารพลูกหัวปีจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเราต้องเคารพเชื่อความท่านผู้นั้นถือว่าผู้นั้นเป็นหัวหน้าในครอบครัวเมื่อครั้งที่มารดาท่านเจ้าคุณทำบรณายกสิ้นบุญที่บ้านน้องอ้อ บางอ้อไม่ใช่นนองบางอ้งอจังหวัดนคร น, นายกอาตมาก็ไปด้วยไปด้วยแล้วมีถ่งประทับใจอยู่อย่างหนึ่งคือ ว, ว่าท่านเจ้าคุณท่านเป็นพระแต่ว่าไม่ใช่ลูกหัวปีไม่ใช่ลูกหัวปีของครอบครัวอันนี้เมื่อปรึกษาการงานอะไรกันในเรื่องการจัดทำศพเนี่ยท่านเจ้าคุณท่านก็บอกว่าในเรื่องเกี่ยวกับงานศพคุณโยมแม่คราวนี้ ต้องมอบให้คุณพี่เป็นหัวหน้าจัดงานจัดการทุกสิ่งทุกอย่างตามความเห็นทุกคนต้องเชื่อฟังระเบียบมันก็เกิดขึ้นแล้วไม่ไม่ถูกเถียงกันไม่เกียงงอนกันเพราะยกให้คุณพี่ผู้หญิงของท่านเป็นหัวหน้าอันนี้คือหลักการเคารพผู้ใหญ่แม้ท่านจะเป็นพระแต่ท่านเคารพพี่สาวของท่านเพรเรื่องในครอบครัวนั้นมันต้องเคารพผู้ใหญ่ในครอบครัว แล้วงานการก็เรียบร้อยทำศพกันเรียบร้อยด้วยดีตลอดเวลาจนกระทั่งเผาศพเรียบร้อยท่านพูดอย่างนั้นเป็นที่ประทับใจอาตมาจําได้แล้วก็ยังนึกประทับใจอยู่จนบัดนี้ว่าเออท่านทําถูกคือไม่เกิดการแก่งแย่งแข่งดีกันขึ้นยกให้ท่านวีสาวเป็นหัวหน้าทุกคนต้องเชื่อฟังแล้วทุกคนก็เชื่อฟังงานมันก็เรียบร้อยเพราะบงการคนเดียว ไม่บงการหลายคนแต่ถ้าไม่มีหัวหน้าคนนั่นก็จะทำ น, น, น, ทำนี้คนนั่นก็จะทําอย่างโนี้คนโนั่นก็จะทําอย่างนู้นนู้มีห้าคนก็เจ้าเจ้างานห้าคนเลยออกความคิดห้าค น, นก็แข่งกันใหญ่เลยตีกันตายปัญหามันก็เกิดแต่พอยกใครใครเป็นหัวหน้าคนเดียวเรอยเรียบร้อยอันนี้สําคัญต่อเรื่องหัวหน้านี่เป็นคนสําคัญอันนี้ในครอบครัวมันต้องมีเชิดะบุรุษ เป็นหัวหน้าในครอบครัวทุกคนต้องเคารพต้องเชื่อความผู้นั้นแม่ในหมู่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เป็นทางราชการแต่ว่าคนแก่ๆที่มีอาวุโสนี่ก็เป็นผู้นำในหมู่บ้านเหมือนกันเมื่อสมัยเด็กๆอยู่บ้านนี่จำได้ว่ามีตาคนหนึ่งแก่ๆมากเดินหลังกูเป็นคนที่เรียกว่าอายุมากแล้วก็มีคุณธรรมชื่อตาบี้ชื่อบี้ แคทุกคนเคารพตาบีเวลามีมามีเช่นทําบุญเดิมสิบอย่างเนี้ยทุกบ้านทําขนมก็ต้องไปเอาให้ไปให้บุญตาคนนี้ทุกบ้านเอาไปให้เอาขนมเอาข้าวเหนียวเอาแกงไปให้บ้านของท่านผูน้นี้ในวันนั่นก็เหมือนกับว่าเป็นวัดน้อยๆเพราะคนเอาของมาให้เยอะแยะและเวลาจะทํามานอะไรเช่นว่าใครก็จะมามั่นลูกสาวบ้านนั่น พ่อแม่ต้องไปเชิญตาคุณนั่นมานั่งอยู่ด้วยมานั่งรับฟังเหตุการณ์เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการงานนั่นๆหรือว่าจะมีงานอะไรแต่งงานก็ต้องเชิญมาทำบุญบ้านก็ต้องเชิญมา <c oughs> ขึ้นบ้านใหม่ต้องเชิญท่านผู้นั้นมาด้วยเสมออันนี้เป็นเรื่องดีแปลว่าเรามีหลักมีผู้เป็นประธานในที่ประชุมทุกคนเคารพ เมื่อในสมัยขั้งพุทธกาลนั่นในเมืองสาวัตถีนี่นางวิสาขานี่เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นอุบาสิกายิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าท่านสร้างบุ ป, ปารามหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าคู่ ก, กันกับเชตวนารามของอนาถปิณิกเกษฐีเมืองสาวัตถีนี่มีคนใหญ่อยู่สองคนคือผู้ชายก็คืออนาถปิณิกเกษฐี ผู้หญงก็นางวิสาขามาอุปสิกาถ้ามีงานมีการอะไรทุกครอบครัวต้องเชิญมาถ้าไม่เชิญก็จะถามมาให้ทำงานอะไรไม่เห็นนางวิสาขามาด้วยอนะ่เรียกว่างานนั้นมันมันไม่ถูกต้องไม่เป็นงานเป็นการเพราะไม่เชิญนางวิสาขามาด้วยคนก็ก็คัดค้านกันว่าต้องไปเชิญแม่วิสาขามานั่งเป็นประธานในงานด้วยอ่านั่นจริงจะสมบูรณ์เรียบร้อย บอกจะไปไหนก็ต้องให้นางวิสาขาเป็นผู้นําเจนผู้หญิงชาวเมืองนั่นอยากจะไปเที่ยวมั่งสมัยนั่นผู้หญิงไปเที่ยวไม่ได้แต่ว่าเขาอยากจะไปเที่ยวเลยก็ไปเอานาวิสาขาเป็นหัวหน้าให้พาไปเที่ยวบอกสามีว่าจะไปวัดความจริงทะเลทะเลไม่ได้ไปวัดแร้ว <c oughs> แต่อยากจะไปสนุกกันเวลาเดินทางเอาล้าใส่ขวดน้อยๆซอดไปในชายผ้า แล้วเดินข้างหลังนางวิสาขาเขามาดื่มกันไปเดืมบไปจนเมา่ะเมาจนไปถึงพระพุทธเจ้าแสดงอาการไม่ไม่สมควรไม่สำรวมไม่ระวังพูดจาคริยา่าดทางไม่เรียบร้อยพระผู้มีพระภาคเห็นว่าพวกนี้มันเมาเลอะเทอะแล้วไม่ได้เรื่องแล้วจึงทรงทรเออเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ทำให้มันมืดไปในทีนั้นต่อมืดขึ้นพวกนั้นตกใจวีดวาดโวยวายกันมีอะไรออกมามั่งบางคน ปัสสาวะออกมามังตกใจตกใจวิบวัฒโวยวายพระองค์ก็ทำให้เป็นแสงส่องมาที่คนเหล่านั้นพอไเห็นแสงดีใจแล้วพระองค์ตรัสว่าโกนุห้าโซกิมานันโดเนจังปัจเจเติสติอันตะคารณโอนัทธาปทีปังนักเวสทะบอกว่าหน้าหัวเราะอะไรหน้าล่าเรืองอะไร เมื่อลูกสันนิวัตน์นี้ถูกเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาทำไมสูเจ้าทั้งหลายจึงไม่หาดวงประทีปส่องใจเนี่พวกนั่นหายเมาเลยเพราะตกใจแล้วได้ควงคาถามว่าหน้าวะเลาะอะไรหน้าลาเริองอะไรเมื่อลูกสันนิวัตน์นี้มามาถูกเผาถูกเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาทำไมไม่เสวงานะดวงประทีปส่องใจ คำว่าเผาไหม้เนะ่คือเผาไหม้โดยด้วยความอยากมีราคะโทสะโมหะหรือกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจลูกกิระองคดไม่ได้หมายถึงลูกคล่อมๆ ม, ม, มีผลมีผิวกรูข่ขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงลูกคือชีวิตของคนทุกคนเนี่ยกลังถูกเผาไหม้อยู่ด้วยกิเลสด้วยความร้อนภายในร้อนด้วยไฟราคะไฟโทสะไ ฟ, ฟ, ฟ, ฟโมหะ ไฟตันหามานะทิฏฐิพวกกิเลสมันเป็นไฟทั้งนั้นแล้วทำไมจึงไม่หาดวงประทีปสองใจเนี่ยเตือนในรู้สึกตัวพวกนั่นก็รู้สึกตัวได้ฟังตำคำสอนเลยก็เป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าในการไปนั่นต้องเอานางวิสาขาไปด้วยเป็ น, เ ป, นเป็นฉากนะเป็นฉากบางหน้านี่แสดงว่าผู้ใหญ่นี่เป็นที่เคารพเป็นที่นับถือของท่านผู้นั้น เราจรึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในครอบครัวจึงต้องมีบุคคลที่เป็นหัวหน้าทุกคนต้องเชื่อฟังตามมาเคารพกันเริ่มก็เรียบร้อยมันไม่มีปัญหนาเพราะว่ามีหัวหน้าที่จะพูดจะบัญชาการอะไรต่างๆประเทศชาติก็ต้องมีหัวหน้ารัฐบาลก็มีนายกเป็นหัวหน้านายกเป็นผู้มีอำนาจในทางตามกฎหมายจะทําอะไรตามกฎหมายก็ได้ าตามำผิดกฎหมายมันก็ไม่ได้แต่ว่าทุกคนก็ต้องเชื่อฟังในกระทรวงหนึ่งก็มีรัฐมนตรีเป็นหัวนหน้าในกองหนึ่งก็มีอาทิบปดีอ่ากรมหนึ่งก็มีอาทิบปดีเป็นหัวนหน้าในกองก็มีหัวนหน้ากองหัวนหน้าแผนกมีทั้งนั้นจะไม่มีหัวนหน้ามันอยู่ไม่ได้อะไรอะไรอยู่ไม่ได้ไมันต้องมีหัวนหน้ามือเราก็ต้องมีหัวนหน้าคือหัวแม่มือมันใหญ่กว่าเฝืน แต่มันใหญ่อย่างนั้นทําอะไรก็ไม่ได้ดีแต่กดหัวแม่มือตอนนั้นเองเวลาทำอะไรก็บอกกันที่มาช่วยกันน่อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมารวมกันข้า ว, วายกขึ้นอย่างนี้เพื่อนเพรงใจเราหมัดมันใหญ่น่อยแต่ถ้ายกขึ้นอย่างนี้เพื่อนก็ไม่เกรงอะไรนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหัวหน้าเพราะงั้นผู้ที่ต้องการความเจริญแก่ชีวิตจะต้องเคารพผู้เป็นหัวหน้าในสกุล ตสกูลนั้นจะอยู่เรียบร้อยเพราะทุกคนเคารพหัวหน้าแต่พอเกิดแข่งแย่งแข่งดีกันกู้ก็จะเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้าแย่งกันพอแย่งกันก็เริ่มตกต่นะําแล้วไม่วาอยาอะไรชีวิตที่แย่งกันนี่เริ่มตกต่าเพราะการแย่งกันไม่ใช่วิสัยของมนุษย์แต่เป็นวิสัยของเนรษานการแข่งแย่งกันเรนรษานมันแย่งกันเราเอาข้ามา วางระบวนพื้นสูนนักหลายตัวมันก็แย่งแทนที่จะกินมันกัดกันข้าวเป็นผ่านมดนะแมวมันก็กัดกันนะแต่ว่าปลาที่ข้างกุฏิมันไม่กัดกันนะเวลาโยนอาหารลงไปมันก็กินกันไปตับทุบๆับทับไปทับเลือกปลามันอยู่กันเรียบร้อยนะไม่ทราบตัวใดเป็นหัวหน้ามันยังไม่ได้เลือกทราบหราแต่มันมากันพร้อมพอมกันแล้วมากินอาหารทุบอาหารเป็นเม็ดโปรยลงไป ตอนนั้นลุกไปตอนนี้ฮุบไปให้ตัวใหญ่ก็อาบปากมาก็ไหลก็ไปเลยปากมันใหญ่แต่ก็ไหลเม็ดเดียวกินหลายเม็ดก็ไม่ได้มันเอาติละเม็ดเพ็บเดียวกินหมดเลยต้องโปรยให้มันดีมันอยู่กันเรียบร้อยไม่มีการลุกรานดินแดนกันไม่ได้แย่งอะไรกันไม่ต้องปิด อ, าอ่าวมึงจะไปยุ่งตรงนี้ต่อไปมนุษย์ที่มันยุ่งกันเที่ยวแย่งแผ่นดินคนอื่น หาไปเอาทรัพยากรธรรมชาติของเขามาเป็นของตัว<ะ>คิดดูแล้วบางทีคนเรานี่มันก็ตกต่ามากเหมือนกันจิตใจมันตกต่าลงมาเป็นคนนะ่ะมันไม่ได้ขึ้นเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นมนุษย์ใจมันสูงใจสะอาดใจสว่างใจสงบคิดเรื่องดีพูดเรื่องดีทำเรื่องดีไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าพอตกลงมามันก็เป็นคนดานันตอีเป็นคนนี่ไว้ใจยังไม่ได้ กให้เป็นมนุษย์ด้วยการเคารพ บ, บุคคลที่เป็นหัวหน้าในครอบครัวนั่นก็เรียกว่าเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ประการหนึ่งเหมือนกันประการที่สามเกี่ยวด้วยการพูดผู้ที่จะเป็นพระอินนั่นต้องพูดยาไพเราะพูดยาไพเราะครอบะฟึ่งใช้ต่อยคําที่สมควรเรียกคนว่าพี่ป้าหน้าอาลุงอะไรต่างๆเรียกพ่อเรียกแม่ก็ได้ หรือเนี่ยแตมันเพราะแล้วพูดจาคาําไปเลาะการพูดนี่เป็นเรื่องสําคัญแต่เราพูดไม่ดีก็เสียหายถ้าพูดดีก็ได้กําไรเรื่องพูดนี่ทำให้คนเสียคนมาเยอะแยะแล้วเราพูดไม่ระมัดระวังทําให้เกิดความเสียหายในทางธรรมะท่านจึงสอนให้สารวมเหมือนกัน สำมรวมตาสำมรวมหูสำมรวมจมกูกสัมรวมลิ้นสำมรวมกายสำมรวมใจคำว่าสำมรวมหมายความาระวังระวังก็คือมีสติมีสติในขณะดูจะไม่เกิดความหลงไหลก็ไม่ยินดียินได้ในรูปที่ได้พบมีสติในขณะฟังเสียงก็จะไม่ยินดียินได้ในเสียงในขณะที่จะดมกลิ่นอะไรก็มีสติ เอาไปดมด้วยมันก็ไม่ยึดในผิ่นนั้นไม่เป็นทุกข์เพราะผิ่นนั้นอย่าจับต้องอะไรก็มีสติเข้าไปจับไปต้องเป็นเครื่องห้ามกันชั่วความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นอันนี้เรื่องของปากคือการพูดก็ต้องมีสติคิดก่อนจึงพูดอย่าพูดรุ่งพลางออกไปคนใจร้อนใจเร็วมักจะพูดอะไรแบบผงผางขาดความยั่งคิดยั่งกรอง ไม่ได้คิดว่าคำนี้ควรพูดหรือไม่เหมาะแก่เวลาหรือไม่เหมาะแก่บุคคลหรือไม่เหมาะแก่เหตุการณ์ที่เราจะพูดหรือไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพอพอจะพูดก็พูดโลงออกไปพูดแล้วมานั่งเสียใจทีหลังเอ้ไม่น่าจะพูดคำเช่นนั้นออกไปเลยเพราะพูดแล้วมันเกิดความเสียหายวาจาใดพูดแล้วทำให้ผู้พูดร้อนใจไม่เป็นสัมมาวาจาไม่เป็นวาจาอ่อนหวานสมานใจ เราไม่ควรจะพูดวาจาเช่นนั้นหัดพูดวาจาที่สุภาพนิ่มนวลพูดกับลูกพูดกับคนชายพูดกับใครๆก็ตามใช้คำสุภาพแต่กันดังนั้นอย่าไปนึกว่าไอ้นี่คนอย่างนั้นไอ้นั่นคนอย่างนี้พูดอย่างไรก็ได้พูดแก่พูดมึงพูดกูกันอะไรกันก็ได้มันก็ไม่ได้เราต้องพูดสุภาพกับคนทุกคนพูดยากอ่อนหวานกับคนทุกคนการพูดนั้นสร้างเสน่ห์ เสน่ห์อยู่ที่ปากนะเพาว่าคนบางคนเสน่ห์อยู่ที่ปากคือพูดเป็นนั่นเองพูดเป็นพูดอ่อนหวานพูดสมานใจพูดคำที่เป็นประโยชน์ไม่พูดคำที่เป็นอย่างอื่นนี่เรียกว่าพูดเป็นพูดเป็นก็เป็นคุณเป็นค่าพูดไม่เป็นก็ขาดทุนมากมายเสียพูดเสียคนบางทีก่อเรื่องถึงก็ตายนะคนบางคนพูดถึงก็ตายทำให้คนอื่นโกรธโกรธแล้วนาว่าดูมินกุนนี่ว่า อย่างนี้ยอมไม่ได้แล้วมก็เกิดเรื่องกันเพราะลิ้นนิดเดียวกดิกไม่ระวังนั่นเองจึงเกิดเป็นปัญหาเพราะในสังคมนี่การพูดต้องระวังเหมือนกันต้องใช้ตอยคําที่สุภาพนิ่มนวลแม้จะคัดข้ามในเรื่องอะไรก็ขัดข้านด้วยตอยคําที่สุภาพไม่ใช้คําหยาบไม่ขึ้นเมืองขึ้นกุ้ ไม่แสดงท่ายักท่ามานในการพูดวางสีหน้าให้เป็นปกติ <c oughs> สีหน้ามันจะปกติเพราะใจปกติถ้าใจปิดปกติหน้ามันก็ปิดปกติตาก็ปิดปกติมือไม้ก็ปิดปกติคือมันสั่นไปหมดปากคอสั่นหน้าแดงอูแด ง, แดงตาดูมือก็สั่นเท้าก็สั่นอยากจะเตะก็จะเรื่อยไปอย่างนี้มันมันอยู่ที่น้ำใจ ใจไม่ดีไม่มีการควบคุม จ, จิตใจลายพูดอะไรเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรออกไปจึงสร้างความเสียหายเวลาจะไปติดต่ออะไรใครต้องวางแผนไปกดว่าจะพูดอย่างไรดีพูดให้เหมาะแก่เรื่องให้เหมาะแก่บุคคลให้เหมาะแก่หหเกหตุหการณ์ให้เกิดความรักเกิดความสามัคคีเกิดความร่วมแรงร่วมใจกันจากการพูดของเราอันนี้สาคัญ นั่นแหละก็เรียกว่าคนพูดเป็นไม่ใช่พูดจบแล้วก็เรียกว่าพูดเป็นพูดเป็นก็พูดพูดเหมาะแก่เวลาเหมาะแก่บุคคลเหมาะแก่เหตุการณ์พูดแล้วทําให้เกิดรักษามัธยีเกิดร่วมแรงร่วมใจกันในระหว่างผู้ขวังคนกําลังจะแตกเราพูดไม่ให้แตกคนกําลังจะต่อยพูดไม่ให้ต่อยกันเราพูดคาอย่างนั้นทําให้ทุกคนได้คิดเหมือนกับโทนพราหมณ์ เวลาที่พวกกษัตริย์ทั้งหลายจะมาขอพระทาตเนี่ยมากันตั้งแปดนครเนี่ยมาตั้งกองทัพกันอยู่เตรียมพร้อมนะจะลุกมาอะไรก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับพวกมันและกษัตริย์เขาแย่แล้วมากันมากมายอย่างนี้เราจะทํำยังไงนี้โทนพราหมณ์เป็นผู้ฉลาดขึ้นไปยืนบนบนป้อมปราการแล้วบอกว่าพี่น้องทั้งหลายโปรดฟังข้าพรเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าสันเสริญความสงบไม่สันเสริญความไม่สงบสันเสริญความรักสันเสริญความสามัคคีเราทั้งหลายที่มานี่มาต้องการส่วนแบ่งพระธาตุอันเป็นส่วนของร่างกายของพระพุทธเจ้าคพื่อนำไปสักการะบูชาแล้วจะมารบราฆ่าควันกันด้วยเรื่องประทัดนั้นยอมเป็นการไม่สมควร ข้าพเจ้าจะจัดการแบ่งง่ายแกท่านทั้งหลายอนนี้เอาตนานตรงมาต น, นานมาถึงก็ตักแบ่งลงไปครับคนลตนานคนละตนานแบ่งจนหมดเลยเรียบร้อยไม่ต้องมีวาดบาดตะลุงกันพราหมณ์ก็เลยได้ไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าพระอินเอปออมาลักไปเที่ยอีกพระอินเอยทําปิดศีลข้อที่สพราหมณออามาเนบไว้ที่มวยผมพระอินเ อ, เอาาเนปออเอาไปจ้พะพอแบ่งเสร็จแรกกลับมาถึงบ้านเอา้าหายไปไหนอ้าว เทวดาเอาไปเช่นแล้วเทวดาตนนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันมารักพระธาตุแต่ว่ารักด้วยความรักแต่มันก็มีเจ้าของมันก็ผิดศีลเหมือนกันบางทีเทวดาแกก็ยุ่งเหมือนกันไม่เกี่ยวเรื่องนี่แต่ว่าโทนพราหมณ์นั่นเป็นผู้มีวาจานุ่มนวลชวนฟังพูดได้เกิดความรักเกิดความสามัคคีคนเราบางทีมันจะฆ่ากันนะแต่ว่ามีคนบางคนมาพูดคาเดียวยุดได้เลยนี่ คำพูดนั้นเป็นคำพูดที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มีมีมีประสิทธิภาพในการพูดพูดแล้วทุกคนนึกได้เลยยับยั้งไม่ต้องข่าต้องแกงกันต่อไปด้วยคำพูดน้อยๆเจนระพุทธเจ้าไปพูดกับพวกภี่นอกสองฝั่งน้ําที่จะรบกันนะบอกว่าน้ํากับชีวิตคนอันไหนมีค่ามากกว่ากันถามอย่างนั้นว่าน้ํากับชีวิตอันไหนมีค่ามากกว่ากัน พรวกนั้นก็ตอบว่าชีวิตมีค่ามากกว่าน้ํำอ่าวแล้วจะมารบกันเรื่องของน้อยๆทําไมทําไมไม่จัดการสร้างทำนบขึ้นแล้วก็เปิดไปขวาวันหนึ่งใช้วันหนึ่งมันไม่ต้องรบกันไม่ดีกว่าหรืออ่ะเล็กได้คนเราเวลาเลือดเข้าตานี่ยคือมันมืดนะ่มดดยมืดด้วยโมหะนี่ด้วยโมหะด้ด้วยอวิชชาที่มันมืดมองอะไรไม่เห็นกูจะเอาท่าเดียว แต่มันมีทางที่จะเอาได้โดยไม่ต้องให้เดือดร้อนก็มีแต่มันคิดไม่ได้ในเวลานั้นก็เลยก่อปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นเป็นเรื่องเสียหายแก่ชีวิตแต่ถ้ามีคนพูดดีๆมาพูดเรื่องมันสงบลงทันทีเหมือนกับว่าเอาหน้า ม, มาราดลงบนกองไฟไฟก็ดับหมดไปแต่บางทีไม่เอาหน้า ม, มาราดเมาน้ามันมาราดลงไปไฟก็ลุกพุ่ขึ้นมาทันทีเหมือนกัน นั่นคือคนพูดที่ไม่มีไม่มีการปราณีปราณมพูดให้มันแตกกันมันรบกันอยากจะดูมันต่อยกันดีสนุกดีคนรบกันสนุกดีคนเราเมื่อชอบดูชอบดูคนทะเลาะกันแต่คนนั่งปราณีปรานอมก็ไม่ค่อยชอบต่อใดไม่เป็นข่าวไอ้คนแตกกันมันเป็นข่าวเขชอบอย่างฮั้นนี่เรื่องมันก็ยุ่งสังคมมันวุ่นวายก็เพราะเรื่องอย่างนี้ เพราะงั้นการถือหลักว่าพูดจาอ่อนหวานสมานใจเป็นเรื่องดีหรือเรียกว่าพูดเป็นคําสุภาษิตสุภาษิตก็คือคําอ่อนหวานสมานใจไปรอ้รองระเนาะหูเป็นคําที่เหมาะแก่เวลาแก่เหตุการณ์แก่บุคคลที่จะพูดพูดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพสงบอย่างนั้นเป็นสุภาษิตวาจากรงข้ามันเรียกว่าทุบทุบภาษิต ทุกปาษิตคือวาจาชั่วมันไม่ดีทุกคนคงจะได้อ่านเรื่องโคนันทวีสารนะเจ้าของโคไม่พูดวาจาอ่อนหวานโคเพราะไม่หลากควรเฉยๆอันนี้นั่งเป็นทุกข์ทอนใจโคก็สงสารเลยมาบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่พนันใหม่เอาสองเท่าเลยสองเท่าเลยก็ไปพนันกันใหม่เศรษฐีก็เรื่องของมันแพ้กูทีหนึ่งแล้วมันจะมาขืนอีกมันต้องแพ้อีกไอ้โคนั้นคงลากไม่ไหว แต่โคบอกเคล็ดลับไปแล้วบอกพูดจากันดีดีน้อยเวลาบอกเตรียมเพียนเสร็จแล้วบอกว่าพ่อพอ่พอพอ่พอโคนันทวีสารสงสารข้าพเจ้าเอะเก่าก่อนมันแพ้ไปแล้วเพราะพูดคำไม่ดีคราวนี้โปรดหลักเพียนไปทีเทอะโคนันแสรก็ออกแรงพุ๊บพาไปเลยฉุดเอาเวียนไปได้ได้ใจชนะนี่พระพูดอ่อนหวานสมานใจ น้ำพึ่งมันดีกว่าบอระเพ็ดนะเราใช้น้ำพึ่งมันดีกว่าใช้บอระเพ็ดใช้น้ำตาลดีกว่ายาควีนินไอ้ของขมมันไม่ดีของหวานมันดีกว่าอันนี้เราจะใช้อะไรก็เอาเอ า, เอาหวานหวานก็ไปล่อหน่อยหล่อแล้วมันก็ได้ประโยชน์มันดีทั้งนั้นนะคำพูดที่อ่อนหวานตาที่หวานหน้าตาที่อ่อนหวานเรียกว่าใจมันดีใจดีตาหวานไม่ตาไม่ดู๋ ตาใจไม่ดีก็ตาดูเป็นยักษ์วัดแจ้งวัดภูจะทะเลาะ ก, กันอยู่ทำให้เกิดความเสียหายจึงควรใช้วาจาทิพยปเราะสมานใจก็มีความสุขนี่วัดของพระอิน์เลี่ยงมาราบิดาเคารพผู้ใหญ่ในสกุลพูดจาอ่อนหวานสมานใจยังไม่จบว่า้ต่อวันอาทิตย์หน้าต่อไปวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอจติว่าแต่เพียงเท่านี้ ต่อห น, นี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงญาติโยมที่เดินไปเดินมาก็พักๆ ก, ก่อนนะอย่ารีบร้อนไปตักบาตรเลยยังไม่ถึงเวลานั่งพักสงบใจกันซะก่อนเมื่อนั่งตัวตรงตามองต่ำหรือหลับเฉยเลยก็ได้แต่ว่าคนที่ถือกระเป๋านั้นต้องเอากล้องเขตนไว้ด้วย แล้วมือก็ประสานไหวมันดึงยากหน่อยเผลอไม่ได้นะความนางเข้าสมาธิยกกระเป๋าวิ่งเลยแ อ, อ, อ, อขบขมยมันไม่ทําสมาธิอันนี้เราทําสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากําหนดรู้หายใจออกกําหนดรู้ให้สติมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลาห้าหนาทีทุกคนทําได้ ปรารถนาความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสเพสตาอวราอพยาปชาอเนคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสั์ทั้งหลายทีเ็นเู เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นส ah, ุขเถอดอย่าได้มีเวรขึ้นกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถอด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ, อย่าได้ทุกกายทุกใจเลยอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงมีความสุขกายธรรมะบรรยายนี้จัดรรมโดยธรรมสภาท่านที่สนใจโปรดติดต่อธรรมสภาเลขที่35ห้าทับ สองเจ็ดศูนย์ถนนจรัญสนิทวงศ์หกสิบสองบางพลัดกรุงเทพมหานครโทรศัพท์สี่สามสี่สี่โทหกเจ็ดและสี่สามสี่สามห้าหกหกขอได้รับการขอบคุณเป็นอย่างยิ่งจากธรรมสภาสวัสดีค่ะ